إبليس <ت> <ج د> قال أ จะอัศจรรย์ให้คนท قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة เราอัพต์นิค ته อุอิลล ا, أ ه ه ل ุลิ م ا ل สมัลลอฮุ ا ل ر ح ์ม ا นุร حمدالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضلله وما يبلل فلا ه ا د ي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 “أبوؤلك بنيعمتك ع ل ي وأبوه بذنبي فقفي فإنه لا يخفي الذنوب إلا أنت” อั ل ลอฮฺม أعوذ بك من شر ما صنعت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่ร่วมนมาศุทุกท่านกับอัลฮัมดุลิลละก่อนอื่น เราต้องชโชคกีพรอัลลอฮฺ س ب ح ا ن าและก็ุตัญญาเร็วที่เราหลับไปเมื่อคืนนี้ก็าก็ตื่นขึ้นมาการหลับเมื่อคืนนี้เรียกว่าการตายความตายนะครับคนตายกับคนนอนหลับเนี่ยสภาพเหมือนกันไม่แตกต่างกันเลยนะคนพอนอนหลับแล้ว วิญญาณเนี่ยรู้ว่ของเขาเนี่ยออกจากร่างออกจากร่างนะรู้ว่าบางคนก็ขึ้นเข้าเฝ้าอัลลอฮฺซุบฮานาฮูวะตาลาบางคนก็ขึ้นข้างบนไม่ได้พราในกุรานอธิบายบอกว่าพวกเขาวิญญาณพวกเขาขึ้นข้างบนไม่ได้จนกว่าอูดจะลอดรูเข็ม จนกว่าอูจะลอดรูเข็มเหนือถึงจะเข้าได้แล้วเวลาออกจากร่างแล้วไปไหนเี็กอุลมามะอธิบายบอกว่าเวลาออกจากร่างเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ไปเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะไปที่ถนวนข้าวสารถ้าอยู่ในกรทมเนี่ยอยู่ตรงนั้นเยอะแล้วบางทีก็เข้าไปในบาร์บ้างในคลับบ้างทั้งว่าวิญญาณของคนเหล่านั้นน่ะ ไปในที่ที่ขารอมแล้วเวลาฝันในฝันร้ายสังเกตนะฮะเวลาฝันในฝันไม่ดีแต่ถ้าหากวิญญาณของใครเนี่ยฝันเข้าเฝ้าอัลลอฮ์เนี่ยถ้าฝันนะก็จะฝันดีส่วนใหญ่จะฝันดีหมดเพอวิญญาณของเขาเข้าเฝ้าอัลลอฮ์สุบฮานาอูวาตาละแต่ตอนขากลับมันดิถ้าฝันก็มักจะฝันไม่ดี ตอนขาขึ้นเนี่ยฝันดีแล้วขาลงเนี่ยฝันไม่คดีอันเพราะฉะนั้นต้องรักษาสุน na นของท่านนาบีสุนน a ขอนาบีในการนอนมีอะไรบ้างเราพอต้องเรียนแล้วต้องศึกษาต้องหาความรู้เพิ่มเติมเอาสุน na ขอ น, านาบีในการนอนก็คือก่อนนอนให้แปลงฟันก่อนนอนให้อาบน้ําน้ำอาก่กอนก่อนนอนให้นั่งบนที่นอน แล้วก็อ่านสามกุลเป่าก่อนแล้วก็อ่านที่หลังพออ่านเสร็จแล้วก็ลูบไปทั้งตัวตั้งแต่ศีรษะข้างหน้าข้างข้างข้างหลังเนี่ยลูบค่อยๆลูบไปให้ทั่วเสร็จแล้วก็อ่านอヤกูซีอีกก็ได้นะเสร็จแล้วก็จะนอนก็อ่านเนี่ยเอามือขวาเนี่ยจับแก้มขวาแล้วก็นอนตะแคงขวาแล้วก็มีดูอาอ่านอีก ทำอย่างเี้ทุคืนทุคืนทุคืนทุคืนเนี่ยเขาเรียกว่ารักษาสุนนะของท่านนาบีก่อนที่จะนอนหลับถ้าคืนนั่นเป็นคืนที่เอาล่อเอาชีวิตเราไปหลับไปเลยแล้วไม่ตื่นไปเต๋อบนเกลามะเขาเรียกว่าเป็นการนอนที่รักษาสุนนะของท่านนาบีเป็นการนอนที่มีมลัยก้ามาเฝ้ามีบราระกัดชีวิตมีบราระกัดมากเพราะฉะนั้น ทำไมต้องมีชีวิตและต้องมีบราระกัเวลาเราขอดูอาในวันแต่งงานโดยเฉพาะในวันแต่งงานเราขอให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยมีบารากาดใช่ไหมบารอก allahulak ว่าบาระกอะไรกัว่าบาระกอะไรกัวันจะมาใบนะครมาฟีเคยขอให้ท่านเนี่ยมีความสุขนะอัลลอฮ์ามาบราระก allahulak เนี่ยขอให้อัลลอฮ์ได้ประทานบารากาดให้แก่ ชีวิตการแต่งงานของท่านขอให้อาลอดได้ประทานบารักาหลังจากมีก้าไปแล้วน่ะมีลูกมีบารักามีเงินมีบารักามีบ้านมีบารักาทําไมต้องขอบารักาเพราะบารักานั้นมันทาให้ตัวเราเนี่ยมีความเจริญเพราะฉะนั้นชีวิตของเราต้องมีบารักาเงินต้องมีบารักาไม่ใช่มีแต่เม็ดเงินอย่างเดียวแล้วไม่มีบารักามีชีวิตเนี่ยแต่ไม่มีบารักา คนที่มีชีวิตอย่างเดียวนะมีวิญญาณอยู่มีร่างกายมีบอดี้แต่ไม่มีบราระกัดเนี่ยไม่อยากจะนมารไม่อยากจะสุญูดมีลิ้นที่ไม่มีบราระกัดก็ อ, อยากจะดา่ดาดา่ดาด่าด่าถ้ามีบราระกัดเมื่อก็อยากจะอ่านกุรานอยากจะดิกรุลล็อกฉะนั้นเรื่องบราระกัดเนี่เรื่องใหญ่มากเลยฉะนั้นดูถูกบราระกัดอัลลอฮ์ไม่ได้เพราะนาบีเนี่ยต้องการจะสอนให้เรานั a นหาบราระกัดให้กับตัวเอง หาบาระกะให้กับงานของเราหาบาระกะให้กับทรัพย์สินของเราบ้านเราก็ต้องมีบาระกะด้วยโดยการเข้าจะออกอ่านทุอ้าตลอดเวลานะครับวันนี้เรามาอ่านสูรอัลิสรอสูรที่สิบเจ็ดอ่านต่อกันมาเนี่ยนะครับค่อยๆ อ, อ่านวันนี้อ่านสามอายานะอายาที่หกสิบหกสิบเอ็ดหกสิบสองสามอายนะยะี่ก็เยอะ บางทีอายาเดียวนี่ไเยอะเกินไปแล้วนะเอาวันนี้อ่านสามอายากับว่อิฟคุลนาลกะว่าอิฟคุลนาลากะอินนารับบะกะอาฮะปาบินนัสคำแปลก็คือและจงรำลึกถึงคำว่าอิเนี่ยแปลว่าจงรำลึกถึงให้นึกให้เรานึกให้คนอ่านกุรานี่นึก นึกประวัติศาสตร์ในอดีตกุราเนะสอนให้เรานึกนะนึกอายาเดียวเนะี่ยอายานี้เนะี่ยมีตั้งห้าประเด็นนี่อายานี้มีอยู่ห้าประเด็นดูสิเราต้องการจะให้มนุษย์เนี่ยคิดอะไรบ้างอ่านกนะุรานเนี่ยได้ขอคิดเยอะอา้าวอายานี้มีอยู่ห้าประเด็นวิสกุลนาละกาและจงรำลึกถึงเมื่อเรากล่าวแก่ท่านออมุฮัมมัดเลย ก้าวังไงอินนารบบะกะอาฮาปบินนัสแท้จริงพระผู้อภิบาลของท่านอาฮาปบินนัสแปลว่าทรงอาฮา ต, อต้อนกับสกัดล้อมเดิมนะอาฮาก็สกัดล้อมแต่ตรงนี้แปลว่าทรงรอบรู้นั่นแหละนะอัลลอฮ์ทรงรอบรู้โดยเฉพาะ คนที่ขัดขวางอิสลามปลุดจำเลยใครที่ขวางอิสลามถ้าเป็นพวกเราเป็นคนแขกแต่ขวางสุนนะนบีมีไหมมีเยอะเนอะ <laughs> เป็นสุนนะนบีเป็นแขกอย่างเดียวแต่ไม่เอาสุนนะนบีเอาประเพณีปฏิบัติชาวบ้านมาแทนไม่เอาสุนนะนบีนะอลัลลอฮ์ไงว่าฉันสกัดล้อม หรือว่าฉันรู้ตัวว่าใครบ้างใครบ้างในตำบลนี้คนที่เอาซุนนะกับคนที่ขวางซุนนะแต่หมู่บ้านนี้คนที่เอาอิสลามไม่เอาอิสลามอาลัลลอฮ์รู้หมดนะนี่ตรงนี้เป็นอคติด้านนะเป็นอคติด้านอคติด้านต้องการจะบอกว่าความเชื่อเนี่ยเป็นอคติด้านอคติด้านเนีเน่เป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะ ของการจะบอกว่าเอาล้อนะทรงรู้เรื่องราวของมนุษย์ทุกคนใครที่เอาศาสนาไม่เอาศาสนาคนที่เอาศาสนาแต่เอาศาสนาแบบปูญย่าตายายและไม่เอาสุนนะอัลลอฮ์รู้หมดนะในหมู่บ้านนี้มีกี่คนทั่วโลกนมีกี่คนในประเทศนี่มีกี่คนอัลละฮ์รู้หมดบอกให้มุฮัมมัดให้รู้ให้นบีประกาศให้นบีประกาศเรื่องอารติดะ ว่าอินซากูลนาَะกันอินนารอَบะกะอาَ้าปอบินนาสมุ h a m m ัดเอ๋ยจงรำลึกถึงเมื่อเรากล่าวแก่ท่านว่า إ, أ, ا ِ ن อินนารอบบะกะอาห้าปอบินนาสแท้จริงพระผู้อภิบาลของท่านทรงรอบรู้เรื่องราวของมนุษย์ทุกคน <ت ص في ق> أ َ ح อาห้าปอบินนาสทรงส ก, กัดลองไปหมดแล้ว ในตัาเซฟภาษาอุนดูอธิบายดีก็บอกว่าสมงส ก, กัดล้อมโดยเฉพาะผู้ที่ขัดความอิสลามและใครที่ไม่เอาสุนานนาบีไม่เอาอิสลา ม, มอาลัลลอฮรู้หมดและเก็บชื่อเรีย บ, ร, ยบร้อยหมดแล้วถ่ายรูป X เอ็กซเรย์ไหมดแล้วคนนี้คนนี้คนนี้คนนี้คนนี้คนนี้คนนี้มีคาถามถามว่าแล้วทำไมอลัลลอไม่ลงโทษล่ะที่อลัลลอฮไม่ลงโทษ ไม่ให้เหมือนกับคนในยุคก่อนคนในยุคก่อนเนี่ยเอาลอดลงโทษเล่นงานหมดแล้วเอาเอาใครบ้างยกตัวอย่างฟาโรห์เห็นไหมเอาลอดเล่นงานไหมเล่นงานแล้วเอาคนในสมัยนบีนวัวตายหมดไหมตายหมดแล้วน้ําท่วมอ่ะเอาลอดเล่นงานแล้วแต่คนในยุคนี้เนี่ยเอาลอดประวิงเวลาเอาไว้อะคนนี้ไม่เอ า, าศาสนาความศูนย์นะนบีเละเกินก็อยู่ไป งเงินเดือนสามหมื่นก็สามหมืนเหมือนเดิมนั่นแหละบ้านใหญ่ก็ใหญ่เหมือนเดิมมันละมีรถก็รถขับเหมือนเดิมมันละแล้วก็มีลูกมีภรรยาเหมือนคนทั่ ว, วไปแต่ที่ไหนได้อาลลอฮฺประวิงเวลาคุณมีความผิดตั้งหลายข้อข้อใหญ่ก็คืออัคดีดาของคุณนั่นเสียความเชื่อของคุณนั่นเสียแต่อลัลลอฮฺไม่ลงโทษต้องการจะประวิงเวลาให้เพื่อให้เขาได้กลับเนื้อกับตัวเนี่ยประวิงเวลานะดีไหมดี เพื่อให้เตาบ้านย่างอายัดทีแล้วใช่ไหมจำได้ไหมขอร้องนบีอัลโมมาเดอร์ฉันอยากเห็นภูเขาโอฟาละมารว่าเป็นทองคําใช่หรือไม่ใช่อายัดเมืออาทิตย์ทีแล้วอ่ะเส็จแล้วนบีก็บอกอัลลอฮ์บอยาอัลลอฮ์เนี่ยคนในนครมะกาเนี่ยอยากได้ภูเขาเป็นทองคําภูเขาโอฟาละมารว่า เอาไปจับจ่ายจับจ่ายเงินทองเยอะเอาเราก็บอกว่าได้แต่มีข้อแมน่นะถ้าใครทําผิดฉันจัด ก, การเลยเล่นงานเลยแต่ถ้าหากว่าอยู่อย่างนี้แหละอยู่ในสภาพที่เรากำหน ด, ดไว้อย่างนี้นะ่ะริสกีก็หากันเหนื่อยหน่อยอะไรหน่อยได้มากบ้างน้อยบ้างใช่ไหมริสกีตัวสแสวงหาแต่ถ้าหากว่า คุณทำผิดฉันไม่ลงโทษคุณประวิงเวลาเอาไว้เปิดประตูได้นะประตูเตาบะทำความผิดเปิดประตูเตาบะไม่ลงโทษเอาไว้ให้เรียนศาสนาไปฟังไปอะไรไปเพ่อค่อยๆแก้ไขปรับปรุงตัวเองให้มันดีกว่าเกา่าแล้วก็เปิดประตูเราครับะจะเอาไงจะเอาภูเขาเป็นทองก็ได้ หรือถ้าไม่เอาก็ได้แต่เปิดประตูรักมานาบิฉันไม่เอาอ่ะก็กลัว่าทุกคนน่ะได้ทองมาแต่อาดาบจ่ออยู่บนหัวอย่างเนี้ยทาผิดปุ้มเอาอ่ะไม่เอาดีกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่น้องอดบ้างอะไรบ้างเหนื่อยบ้างไม่เหนื่อยบ้างใช่ไหมแล้วค่อยๆแก้ไขค่อยๆเรียนมาศึกษาหาความรู้กันต่อไปอย่างนี้นะเป็นของที่ดีกว่า ในระบบเนี่ยที่เรายัอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อมาครับอลัลลอฮฺรู้หมดนะสิ่งที่อยู่บนอะไรนะมนุษย์ทุกคนเนี่ยอยู่ยังไงอลัลลอฮฺรู้หมดอายุที่แล้วอ่ะที่ผ่านมาเนี่ยนะอลัลลอฮฺเล่นงานมนุษย์มีอยู่สองแบบนะลงโทษมนุษย์เนี่ยสองแบบแบบที่หนึ่งแบบแบบอามาถึงลงโทษ ครั้งเดียวตึบหมดเลยส่วนใหญ่ก็พบประคนสมัยก่อนแต่สมัยนบีมุฮัมมัดเนี่ยรอดเล่นงานรายตัววันบายวันเล่นทีละคนละคนละคนละคนนี่แต่ปัจจุบันนี่บางทีบ้านนึงเล่นสาวสามคนเลยก็ได้แต่ว่าให้อีกคนหนึ่งป่วยให้อีกคนหนึ่งขาหักให้อีกคนหนึ่งมีปัญหาด้านการเงินก็เล่นงานอยู่นี่ นนี่ไงทั้งหมดนะมาจากอัลลอฮ์ทั้งหมดเนี่ยอาา์ญญนีสอนอินนารอบบบกะอาฮาปบินนาสแทจิงพระผู้อภิบาลของท่านทรงรอบรู้เรื่องราวของมนุษย์ทุกคนในตัสแหนภาษาอุรดูอธิบายว่านะทรงสกัดล้อมโดยเฉพาะผู้ที่ขัดขวางอิสลามและคนที่เป็นแขกแต่เอาไม่ไม่เอาสุนนะนบี อาประเพณีปฏิบัติของชาวบ้านเนี่ยมาปฏิบัติแทนนะครับต่อมาครับประเด็นที่2อง <t> 2> วามาจะอ่านรยาเลติอารอยนากะวามาจะอนรยลตอรอยนากะและเราไม่ได้ทำมาจะอานาแปลว่าเราไม่ได้ทา อรุยาแปลว่าการฝันรุยาหมายถึงความฝันเราไม่ได้ทำการฝันอัลละที่อร่อยนาก็ซึ่งเราได้ให้มุฮัมหมัดเห็นเห็นไหมความฝันนี่ก็มาจากอัลลอะ์นะอย่าลืมว่าความฝันที่ของนบีนะ คนที่เป็นนบีฝันทุกข้างเป็นเรื่องจริงหมดเลยเป็นวะฮีทั้งหมดความฝันของนบีทุกคนเป็นวะฮีแต่ความฝันของพวกเราเป็นวะฮีไหมไม่ใช่ต้องหานสามฝันเราในหานสามหานสามนะใครบอกนบีบอกเองหนึ่งฝันของเรานั้นมาจากไซัยตอนบางครั้งมาจากไซตตอนทำไมฝันมาจากไซตตอนละ่ะ ตอนวิญญาณออกจากร่างนมันไปเที่ยวบามันไปในคลับน่ะมันไปถนนเข้าสารเนี่ยมันก็ฝันสุขภพมาจากย์ตรนหรือไม่ก็ฝันมาจากตัวเราเองเอาเช่นกลางวันเราทําอะไรอ่ะเรานั่งเล่นมารุกปรับปรับปรับตั้งแต่เก้าโมงเช้าถึงนู่นเลยสุขสดพักสุขดมานามาก็เล่นมารุกต่อมันก็ฝันเรื่องมารุกนั่นแหละ แล้วก็ฝันในเีนึงก็มาจากอัลลอ์อ่ามาจากอัลลอ์คือฝันดีๆเช่นฝันว่าอะไรนะไปยืนนะมาดในมัสยิดฝันว่าบริจาคเงินให้กับคนยากคนจนเห็น ไ, ไหมพาลูกไปเข้าพาไปดูร้อนกินหนก็ตามแต่นี่ฝันดีทั้งหมดฉะนั้นฝันของเราต้องหานสามแต่ฝันของนบีนั้นเป็นกุยอย่าลืมนะมนุษย์เคลื่อนไหวของมนุษย์ทั้งหมดอัลลอ์คุมหมดเลยนะ อาตอมกักข่ามาจะนรุยาลติอรรอินะกะเรามิได้ทำการฝันซึ่งเราได้ให้มุฮัมมัดนั่นเห็นฝันตอนไหนก็นน้องนู่นตอนขึ้นเมรอะฝันด้วยเป็นความจริงด้วยมันคำอธิบายคือว่านาบีเนี่ยขึ้นเมราะขึ้นจริง นาะขึ้นด้วยร่างกับขึ้นด้วยวิญญาณพร้อมกันบางคนอธิบายว่านาบีเนี่ยขึ้นมียรอดเนี่ยไม่ได้ขึ้นด้วยร่างนะขึ้นเฉพาะรั้วอย่างเดียวแต่ในคำพี่อุุอ่านอายะที่เราอ่านมาแล้วเนี่ยสุบฮานัลลดีอัสรอบีอับดีหิงอ่ะคำว่าอับดุนแปลว่าบาวก็หมายถึงร่างเอาพาร่างของนบีมุฮัมมัดขึ้นไป พร้อมกับฝันด้วยเห็นพร้อมกันเลยใช่ไหมพร้อมมาองเห็นฝันด้วยเป็นเรื่องจริงด้วยใช่ไ่าทีนี้ใครให้ฝันอัลลอฮ์ให้ฝันนะครับถามว่าขึ้นเนี่ยรอดไปเนี่ยขึ้นไปทําอะไรขึ้นไปรับนามา ท, ที่เราเรียนกันมานั่นแหละเป็นเรื่องถูกแล้วน บ, บีขึ้นเนี่ยรอดไปรับนามาก่อนที่จะขึ้น น, น, น, น, นั้น เอา ล, ล่อให้นบีอิสอราอลก่อนหมายถึงเดินทางในเวลากลางคืนจากนาครมักกะไปยาลูซาเล็มแล้วพอนบีเห็นอะไรตะอะไรหมดเลยเห็นกองคาราวานเราขึ้นไปข้างบนก่อนจะเข้าาเฝ้าเอา ล, ล่อไปเห็นกลุ่มต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยก่อนที่นบีจะขึ้นเนรอดเนี่ยใครตายภรรยาเสียชีวิตลักใครอีกลุงเสียชีวิต เรื่องที่สามเรื่องใหญ่ก็คือนบีไปสอนศาสนาที่เมืองต อ, อิฟแล้วก็ถูกขว้างมาสามเรื่องนี้ใหญ่หมดเลยเอลัลลอ์ต้องการที่จะปลอบใจนบีให้ขึ้นเนี่ยอัลอช์พอขึ้นเน่อารอฮสามรายการที่นบีถูกนั่นเป็นเรื่องเล็กไปเจออะไรใดๆข้างบนเหตุการณ์มันยิ่งใหญ่เหลือเกินคนนมาดได้อะไร คนไม่ได้นามา ถ, ถูกลงโทษยังไงคนทําสีนาถูกลงโทษยังไงคนนินทาถูกลงโทษยังไงเหมือนกับนบีเดินผ่านกูโบอลัลละฮ์ให้เห็นน่ะการทรมานของคนที่ไม่เอาศาสนาดูถูกศาสนาคนที่นินทาคนคนทิ้งนามาดคนกินเงินเด็กกระพาถูกลงโทษยังไงอลัลลอฮ์ให้เห็นบางครั้งก็เห็นเป็นภาพอยู่ในกูโบบางครั้งก็เห็นเป็นภาพนาบีขึ้นข้างบนไปเห็นภาพจริงๆเลยเนี่ย เราก็ถามยึบีิว่ากลุ่มไหนกลุ่มไหนกลุ่มไหนยึบยินก็ตอบทีละข้อแล้วข้อแล้วก็ววหหหวกให้ท่านนาบีมุฮัมมัดฟังแต่ท่นนนานขึ้นเมียราชของท่านนาบีตงกับซุลลันนี้แหละอิสร ะ, ระกับเมียรอชเนี่ยกุยน้องถามว่าขึ้นมียรอดไปรับนมาศไปตอนกลางคืนเรากลับมานมาซุ บ, บุกท่านที่นครมักกะเนี่ยเพื่ออะไร อิลากิดนัตุลินนัสไม่ใช่เพื่ออื่นใดเลยเว้นแต่เพื่อเป็นการทดสอบฟิตนาเป็นการทดสอบหัวใจคือวันที่นบีขึ้นเนี่ยรอดเนี่ยที่ทั้งหลายในตับเซตอธิบายดีนะในตับเซตอิบนะเซตเนี่ยอธิบายบอกว่าฟิดนัตุลินนัส เพื่อเป็นการทดสอบแก่มนุษย์ว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อวันนบีขึ้นจริงหรือไม่จริงวันนบีขึ้นจริงหรือไม่จริงตมการจะทดสอบแค่นี้แหละตับซินอธิบายบอกว่าฟาลามมาดะคารรอสูลุลลอฮูลินนสัสเมื่อนบีกลับมาจากมิรอชอิสละด้วยนะมิอรอด้วยสองสอ ง, งานนะใหญ่หมดเลยนะ เขาว่าคนในวันนั้นเนี่ยจะเดินทางจากนกครมาก่าไปเมืองเยรูซาเล็มใช้เวลาเป็นเดือนแต่น บ, บีไปแป๊บกลับขึ้นข้างบนปั๊บลงมากลับเชื่อไปไม่เคยเชื่อเลยมันเป็นได้ยังไงเอาล่ะพวกเราเนี่ยจะเดินทางไปเยรูซาเล็มใช้สุอูดทลายหนึ่งเดือนเราขึ้นไปข้างบนอีกยานอพอลโลก็ไม่มีวันนั้นอ่ะไอ้วันนี้เราคนได้ยินยังว่าเออมียานอพอลโลขึ้นไป แต่ยานอพอลโลจริงใช้เวาลากี่เดือนโอล็อตปล่อยจรวัดขึ้นไปในมนุษย์เนี่ยใช่ไหมแล้วก่าจะกลับมาไม่มาเฉยคืนเดียวแต่นบีทำคืนเดียวจบหมดเลยพอนับบีกลับมาเล่าเรื่องมิเอรอิสลามิอรอดอังการบาบาูฮุมวากาบวกรัรบุบางคนปฏิเสธไปเลยรับอิสลามใหม่ๆ้วบางคนนะรับอิสลามมาได้เดือนสองเดือน ปีสองปีหรืออาทิตย์สองอาทิตย์พอนบีมาลล่าวาฉันขึ้นฉันไปอิสรอไปเมืองเยรูซาเล็มฉันขึ้นเมียรอดไปรับนามาดมาผู้ไม่เอาแล้วอิสลามก็หกอะไรขึ้นข้างบนปฏิเสธตกมุดตัดไปสังเยอะแยะไปหมดบางคนเชื่อเลยเขาจะปักก้าอิมานอิมานสตรองหน้าดูเลยใครท่านอบูบักฉันเชื่อ ทำฮา ม, มาดเล่านะฉันเชื่ออาล่ะพูดอ่านอย่างลงมาหานาบีุลเบิรับศาสนบีจะขึ้นไปฉันเชื่อเลยอิมานแข็งไหมโอ้โหอีมานเขาจะปักกาแต่ภาษาคุณดูอีมานแรงน่าดูเลยฉะนั้นหลายคนตกศาสนาเพราะเรื่องอิสรลามิรอตและหลายคนนั้นโอ้โหอีมานเพิ่มอัลลอฮ์อิมานคนหลายคนอีมานเพิ่มคนที่เพิ่มมากที่สุดก็คือ อากรอับอายพระเบียร์ละห้องอันนะพี่น้องเห็นนี่กี่เรื่องแล้วเนี่ยพี่น้องสองเรื่องแล้วนะเรื่องที่สามวาจารดตลมลล า, นาลนะตลใลกุรอานซจารแปลว่าต้นไม้นะครับอัมาเลนะแปลว่าถูกสาบแช่งถูกงดความเมตตา ต้นไม้ที่ถูกนวดความเมตตาฟิกุรอานที่ถูกกล่าวไว้ใ น, นคัมภีร์กุรอานถามว่าต้นไม้ที่ถูกสาบแช่งนั่นคืออะไรถ้าอ่านกุรอานอย่างเดียวไม่อ่านตัฟซีดไม่รู้พอไปอ่านตัฟซีดปั๊บเพิ่รู้ต้นไม้ที่ถูกสาบแช่ง ต้นไม้ที่ถูกสาบแช่งเขาปลูกไว้ที่ไหนคำตอบก็คือเขาจะปลูกไว้ในไฟนรกอ่าพี่น้องต้นไม้ที่ถูกสาบแช่งนี้อัลลอจะให้ขึ้นในไฟนรกอธิบายอย่างนี้ยิ่งถูกความร้อนเยอะๆยิ่งเจริญยิ่งงอกงามเรานึกไม่ถึงนี่ปัญญาเราเปงนถึงไหมยิ่งถูกไฟมันยิ่งงามอะ่ะ เราวันนี้ยิ่งถูกไฟมันยิ่งมันยิ่งตายแต่ต้นไม้ต้นนี้ยิ่งถูกไฟมันยิ่งงามคนคิดออกไหมคิดไม่ออกนี่ตกวมุดตัดบโพอย่างนี้แหละอิสลามว้าไ ป, ไปไม่ได้นี่นิยายเนี่ยใช่ไหมเอาเล้อเล่าเลยใช่ไหมเรื่องแม่รอดก็เรื่องแปลกอยู่แล้วนบีขึ้นข้างบนกลับมาในคืนเดียวกันหลายคนปฏิเสธทิ้งอิสลามไปเลยใช่ไหมหลายคนอีมานเพิ่มพื้น เพิ่มพูนและอีกเรื่องหนึ่งวัชชะาารตั้นมะเหล่านะต้นไม้ที่ถูกสาบถูกปลูกไว้ที่ไหนคำตอบก็คือจะถูกปลูกไว้ในไฟนรกยิ่งร้อนยิ่งงามอัลลอฮหุ่นั่เงี่งานอย่างเงี้ยปัญญาราคิดได้ไหมคิดไม่ออก น, นี่ถ้าเราถ้าเรายอมรับว่าในความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺอัลลอ์สบายไหมไม่ปัญหา นี่เอาล้อให้เราอยู่สภาพนี้นะสภาพไหนต้องกินน้ำต้องกินอาหารต้องพักผ่อนยังมีมรคลูกถูกสร้างมาเหมือนกันแต่ทุกมาถูกสร้างมาจากราสฎีกินกินอาหารไหมมรอิการองกินไหมไม่กินมรอิการนอนไหมไม่นอนแต่งงานไหมไม่แต่งเข้าห้องน้ำไหมเข้าห้องน้ำนี่เอาล้อทาได้อะ สร้างมนุษย์เหมือนเรานะี่แหละนสร้างมนุษย์เนี่ยให้มีให้มีนิกาให้มีตายให้มีกินให้มีห้องน้ําให้มีบ้านให้มีรถครับแต่สร้างมาลายกาเนี่นะไม่ต้องไม่ ต, มต้องผ่านอะไรนะไม่ต้องผ่านไม่ต้องผ่านอะไรนะเนี่ยไม่ต้องมีไม่มีอาหารกินไม่ต้องนอนไม่ต้องพักผ่อนทำแต่อิบะดาอิบะดาอิบะดาอัลลอฮฺยังทําได้อ่นนะ แต่ถ้าจะให้ต้นไม้ถูกสาบจะถูกปลูกไว้ในไฟนรกยิ่งรอ้อนยิงงามทมได้ไั้ยได้ก็ต้นไม้บางชนิดของเรานึ่งก็เห็นถ้าไม่ถูกแดดตายมีไหมมีต้นไม้บางชนิดของเราดูเดี๋ยวนี้ก็มีอีกต้นไม้ลายดินใช่ไหมผักใช่ไหมผักลายดินใช่เปอ่าเห็นไหมหไห ม, มันก็ค่อยเห็นอะไรห ล, หลายอย่างเพราะฉะนั้น ทั้งหมดเหล่านี้ในะบรฟิตนาตาลินา่าเพื่อจะทษสวัสดิใจของคนเท่านั้นเองอิมานไหมอีมานไหมอิมานไหมศรัทธาไหมต่อมาครับในอัลกุรอนานในย่อื่นนะครับพี่น้องมันมีอีกในสุโรอั ส, สวฟัฟาตเนี่ยสัยจธรรตซักกูมเนี่ยต้นไม้ต้นไม้ต้นต้นต้นซันกกูมก็มีอีกต้นไม้ซักกูม ต้นไม้สั ก, กูมต้นไม้นี่แหละมะเหลานะพอพูดอย่างนี้คนที่แอนตี้อิสลามก็มีท่านอบูละฮับอบูญะฮันเนี่ยสอาคนเป็นญาตินบีเนี่ยหัวเราเยาะพอนบีพออัลลอฮ์พูดนบีอมามะเลาบอกว่ า, วามีต้นไม้สักกลมมีต้นไม้มะเหลานะหัวเราเยาะเฮ้ย hey, ต้นไม้มะเหลานาะสักกลมจนะต้องให้อูดกินนบีว่า แหละอัลลอฮ์จะปลูกในในสวนในในนรกยิ่งร้อนยิ่งงามหัวเราะดูถูกเหยียดหยามใช่ไหมคนที่หัวเราะเยาะอัลอิสลามคือคําสอนของอิสลามอัลลอฮ์เก็บเก็บเลยไหมเก็บหมดเลยอายาไหนอ่าฮาตอเบ น, น่าสอัลลอฮ์รู้แล้วก็จัสกัดล้อมไปหมดแล้วแล้วก็บันทึกเก็บชื่อเอาไว้ว่าใครที่หัวเราะเยาะอัลอิสลามจะเล่นงานหมดเลย ไปจะเล่นงานตอนไหนส่วนใหญ่เลยนงานตอนตอนตายท่า น, นคนที่ตายนี่ยนะถ้าไม่มีอิสลามตา ย, ยถูกทรมานสุดๆนะ่ะแต่อัลลอฮ์เนี่ยปิดหมดเลยนะไม่ให้ไม่ให้ได้ยินนะไม่ให้รู้แม้แต่ น, นิดหนึงว่าเขาถูกทรมานยังไงนะอัลลอฮ์าม่ให้รู้เนี่ยอัลลอฮ์เก็บไปหมดเลยเพราะใ น, นคัมภนะีร์อัลกุรอานอธิบายอย่าอื่นว่าคนที่ดูถูกอิสลามหัวเราะเยาะอิสลามดูถูก สุดหน้า น, นาบีอะไรก็ตามพวกนี้นะเวลาตายภาพเห็นหมดเลยเห็นแบบอะไรนะแบบชัดแจ๋วเลยแล้วก็บ่นว่าไงนะรูบามายาว ด, ดุลลาดีนากาฟารุลาวกานุมุสลิมีหลายครั้งเหลือเกินคนที่ไม่เอาศาสนาเนี่ยพี่น้องพอตายเนี่ยบ่นว่าเป็นมุสลิมก่อนตายก็จะดี เป็นมุสลิมก่อนตายก็จะดีอโล่ห้นไหมไปบ่นนอนอยู่ในครูโบไม่มีประโยชน์อะไรเลยเอาต่อมาครับต่อมาครับวันุขาวิฟูหุมฟามายะซีดูหุมอิลลาตุกยานั้นกบีรอวันุขาวิฟูหุม ดังนั้นมันไม่ได้เพิ่มหนูเข้าวิะบวับเราแล้วนะเร า, เนะเราแต่แปลว่าอะไรนะเราครูใช่ไหมเราทําให้เขาหวาดกลัวอ่าเราเนี่ยได้ทาให้พวกเขาเนะี่ยหวาดกลัวหนูเข้าวิบแบบระยะที่ผ่านมานี่เหมือนกันว่าหนูเข้าวิฟูมเราทําให้พวกเขาหวาดกลัวมีอะไรบ้าง ให้แห้งแล้งนี่เป็นการนะทำให้มนุษย์เนี่ยกลัวน้าท่วมของเมืองไทยเนี่ยทำให้พวกเขากลัวนึกถึงอัลลอ์แล้วก็อาญาบต่างๆเจ็บไข้ใดป่วยเนี่ยอัลลอฮ์ทำให้เขากลัวหมดนะ่ะไอความกลัวนั่นมาจากอัลลอฮ์สุบฮานะหุวาตะอนะอย่างี่ซีเรียอันนี้ก็เมืองเหมือนการกลัวกันเรื่องราวที่ผักใต้ที่ฆ่ากันอะไรกั น, นระเบิดนี่อัลลอ นูเาวิทย์ทั้งมดนี่แหละถาวว่านุเขาวิทําไมฟามายาดีดูฮมุมปรากฏว่ามันมิได้เพิ่มสิ่งใดให้มีเหตุการณ์ให้มีปัญหาเกิดขึ้นแทนที่จะเพิ่มอีมานแทนที่จะเพิ่มความรู้เพิ่มอะไรนะรู้จักอัลลอฮ์เพิ่มขึ้นหันมหาหัสนใจาศาสนามากขึ้นกับไม่เพิ่มเพิ่มอะไรตูเฮียนั้น เพิ่มการดื้อดึงไมดื้อรั้นมากขึ้นยิ่งมีปัญหาให้เกิดขึ้นเอาความลำบากก็ดีความยากจนก็ดีนะครับพอเอาล้อให้เกิดขึ้นกับครอบครัวหนึ่งครอบครัวใดแทนที่คนในครอบครัวนั้นจะสำนึกตัวหันมาเรียนาศาสนามาสนใจาศาสนา มาแก้ไขมาปรับปรุงกับดือ้อด้านต่อคำสั่งของอัลลอฮ์เพิ่มขึ้นเรื่องใหญ่มากครับท่านถ้าอ่านคุรานนี่สอนให้เรานึกนะตั้งแต่วันนี้ไปพี่น้องลูกเราไม่สบายเราต้องนึกเออเราเนี่ยพาเงินฮารอมเข้าบ้านกี่บาทเนี่ยลูกเราไม่ใจนมาดซูโบ หรือไม่ได้นามาตย์อเชียเรานามาตยดูสองคนผัวเมียลูกไม่ได้นมาตนี่เราจะทำถูกหรือทําผิดต้องนึกเมียเราออกนอกบ้านไม่คุ้มที่จะากแล้วเราอยู่ยังไงกันเนี่ยมันต้องนึกอ่ะบางทีภรรยานะ่ะคุมดีหมดนะลูกไม่คุมอะเอ๊เราพูดจากับลูกไม่เป็นหรือว่ามันยังไงถามมาสอนหรือยังต้องนึกหมดเลยอ่ะ แล้วค่อยๆอบรมค่อยๆเตือนค่อยๆแก้เพราะว่าอัลลอฮฺให้มีเหตุการณ์ขึ้นในในเนี่ยในครอบครัวเราเป็นข้อเตือนใจทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเวลาเหตุการณ์อะไรขึ้นก็าตามเนี่ยเราต้องได้ข้อคิดจากเหตุการณ์นั้นๆนบีสอนอย่างนี้คนป่วยคนป่วยที่โรงพยาบาลหรือป่วยเจ็บไข้ใดป่วยไปไหนมาไหนไม่ได้เนี่ยเหมือนกับเรามีแพ อธิบายง่ายๆเนี่ยในม่อธิบาดีนะเหมือนเรามีแพะเนี่ยพอแพะเนี่ยมันโซนใช่หรือไม่ใช่เดินไปเข้าบันนั่นไปกินหญ้าบันนี้ไปปีนเราก็กลัวชาวบ้านจะด่าแพะเราหรือไม่ก็ด่าตัวเราที่ปล่อยแพะทําไมเราก็เอาแพะมาผูกไว้พอเอาแพะมาผูกกรถามแพ้น่ะเอ็นรู้ไหมฉันผูกแพะทําไมแพะรู้ไหมแพะไม่รู้แพะไม่รู้ ถามภาษาอาณาภาษาอังกฤษภาษาเยอเม่นแพทยมันตอบไม่ได้เหมือนกันถ้าหากว่าฉันนี่นะให้ภรรยาคุณป่วยให้ลูกคุณป่วยให้คุณป่วยถ้าหากว่าคุณไม่รู้ว่าฉันให้ป่วยทําไมคุณก็ไม่ต่างอะไรกับแพะนบีสอนยังไงโอ้โหนบีสอนฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัวเรา เกิดกับภรรยาเกิดกับตัวเราเกิดกับลูกเราต้องได้ข้อคิดถ้าไม่ได้ข้อคิดเราก็ไม่ต่างอะไรกับแพะทําไมเอยแพะอเพราะอันดีชอบเลี้ยงแพะและเข้าใจง่ายแต่ไปคุ ย, ปค ย, ปค ย, ย ร, คยครป ค, ย ค, ยร ค, ยรคุยเรื่องควายคุณอาราบไมเคยเห็นควายอะไรมาควายแต่บ้านเราต้คุยเรื่องควายโอ้คุณก็ไม่ต่างอะไรกับควายเพราะฉะนั้นอ่านกูอ่านต้องได้ข้อคิด าการใช้ปัญญานี่ดีไหมดีนะครับพี่น้องอา้าวันอุกเอาวิภูหุ่มเราเนี่ยให้มีเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเพื่อให้คุณได้กลัวนะครับแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดมาแต่ละครั้งแทนที่จะเป็นเหตุให้เราได้นึกถึงอัลลอ์กับเพิ่มความดื้อรั้นความทรยศต่ออัลลอ์ก็แสดงว่าคุณก็ไม่ได้ใช้ปัญญาเหมือนเดิมนะครับพี่น้องทุกท่า มีอยู่สี่ประเด็นห้าประเด็นด้วยกันอต่อมาอายาที่ันกะุอ่านอธิบายอย่างนี้นะครับอันนนอายาอื่นนะ <c oughs> คนชาวนารกเนี่ยเป็นี้คนชาวนารกนี่นะอาหารของของชาวนารกเนีะ่ะเมนูอาหารก็คือนี่ไงซะดาระตุลมัลอูนต้นไม้ที่ถูกสาบนี่เป็นอาหารของใครนะ อาหารของชาวนารกแล้วก็ในคุตตานอธิบายอายาอื่นนะกะอันนาหูรูอูสุสชัยตอนผ ล, ลไม้ของมันคล้ายกับหัวไชตอนต้นไม้ที่ปลูกในนรกเนี่ยเขาเรียกวต้นไม้ถูกสาบเนี่นะเวลาปลูกในนรกแล้วเนี่ยมันมีผลนะ่ะผลของมันเนี่ยนะเหมือนกับหัวของไชตอน หัวชายตอนเป็นยังไงเราก็ไม่เคยเห็นเองเหมือนกันแต่อัลลอฮเล่าแล้วเดี๋ยวพอคุณเข้าไปนรกคุณจะเห็นเองโอ้เนี่ยพน้ตนต้นไม้ที่ถูกสาบเนี่ยหัวมันเป็นชายตอน อ, ลอลัลลอก็คงจะก็นึกภาพเองไปแล้วกันนะคงจ ะ, งจะมีน้าเยอะคงจะอืมอ้าวอธิบายต่อไปอีกฟะอินนาฮุมละอ า, ากีลูนามินฮา ปรามาลิ อ, อูนนมินทัลบุตูลแล้วพวกเขาจะกินมันและพวกมันก็จะจ ะ, จะเติมให้เต็มท้องคือในท้องเนี่ยมีแต่น้ำน้าน้าน้าน้าลงไปนี่เวลาติดคอเนี่นะคลายก็คลายไม่ออกลงก็ไม่ลงติดอยู่ที่คอเนี่ยพี่น้องนึกภาพเดี๋ยวเราเคยกล้างติดคอเคยไหม และทรมานหรือไม่ทรมานทรมานสุดๆนั้นแหละเหมือนกัน<ม>คนที่อยู่ในนรกแค่ก้างติดคอน้ํากินนา้ากว่ากินน้ํำน้ําำเลือดกับน้ําเดือดน้าร้อนเนี่ยล้มก็ไม่ลงจะคลายคลายออกไม่ได้ติดอยู่ตรงนี้นะวันหนึ่งติดแค่วันเดียวนะวันหนึ่งทลายห้าหมื่นปีเอาล้อไปน้องนึกภาพโลก นึกภาพอาคิระนึกภาพในนรกเนี่ยหนูข้าววุมอรอนอธิบายเล่าเรื่องความกลัวให้คุณอย่างนั้นคุณยังไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองเลยอ่ะต่อไปนะครับพี่น้องอินนาลตุกะกุมามุลอาซมท่านอิบนอับบาท่านฮสซันท่านอิบรอฮมท่านสายท่านมูจาฮิดท่านกตาดะนี่เป็นซอบ้านาบทั้งหมดพี่น้องอธิบายว่าไงนะ ต้นไม้ที่ถูกสาบแชดนั้นที่เอารอบปลูกในนรกยิ่งร้อนยิ่งงามไปเป็นอาหารของใครบ้ามุลอาซีมเป็นอาหารของคนไม่เอ า, าศาสนาคนชั่วนะครับและอีกคำหนึ่งหนูเข้าวิฟุหุมเนี่ยเราได้ทำให้ภกเขาวากัวเนี่ยเป็นแฟนมูดอริยน่ะมันมีอะไรนะพาสเทนของอดีต ก, กับปัจจุบัน และอนาคตหนูเข้าวิทย์เนี่ยเป็นปัจจุบันและอนาคตอัลลอฮฺจะทรงมาเนี่ยมาขูมาทําให้พวกเขาหวาดกลัวอยู่เรื่อยๆบางทีวันหนึ่งมีสองครั้งเช้ามั่งเย็นบ้างบางทีอาทิตย์ละหนึ่งครั้งข่าวขาวอะไรนะข่าวไม่ดีที่ให้มีข่าวไม่ดีให้เราได้ยินได้รู้ได้เห็นได้ฟังบ่อยๆนะเพื่ออะไร เพื่อให้เราได้สำนึกตัววันเขาวิภูมิระษาอุูวางี้หัมโลกโกดาราเตโตเรเตให้คู่ให้เขาได้วากัวอยู่บ่อยๆขู่ให้เห็นข่าวอย่างเราปัตตานีระเบิดทุกวันไม่รู้ว่าใครทำรแล้วก็กลัวนี่ใช่ไหมคือน้องมุสลิมมันถูกปัญหา อา้าวไปเกิดที่ปัตตานีไปเกิดที่นนท์อะไรนะ่ะในปากีสถานมีอีกในอิรักอีกในซีเรียอีกใช่ไหมหนุ่ข้าววิฟูฮุมอ Allah เห็นอย่างเงี้ยแล้ววันนี้เห็นแบบทีวีออกมาชัดเจนเลยเนะนี่ยเป็นข่าวไม่ดีทั้งหมดเท่ว่าข่าวไม่ดีที่เราได้รับเนี่ยเราได้ประโยชน์อะไรบ้างจากข่าวอันนั้นวันูเข้าวิฟูฮุมเราได้ทําให้พวกเขาเกิดความหวาดกลัว ฟามายาซีรู ل ุมอิลลัตุกยาหนัะบิรรากฏว่ามันไม่ได้เพิ่มสิ่งใดแก่พวกเขานอกจากการดื้อรั้นอันมากมายนะครับเอาต่อมาอที่หกสิบเอ็ดไว้อดกุลนาลิลมา ج าอิก ا ติสจุดูดีอาดัมฟา ก็อลอาสจุดุลิมัน خلق ตั้งตีนเนี่ยายานนี้ดีมากใช่ไน้องและจงรำลึกถึงเมื่อเรากล่าวแก่มาลาอิกามี ป, ประวัติศาสตร์นะตั้งแต่เริ่มสร้างโลกขึ้นมาใหม่ๆสร้างอาดัมคนแรกของโลกเนี่ยอลัลลอสอนให้เรานึกถึงภาพเก่าๆ ตอนนั้นค น, นี่อ่านประวัติศาสตร์เยอะๆเข้าใจง่ายว่าอีสกุลนาลิลมาลาวอีกนะและจงรำลึืงถึงเมื่อเราเก่าวแก่มาลาวอีก้านะเก่าวว่าไงอุสจูดูลิอาดัมมาเดกะเอ๋ยจงสูญูดต่ออาดัมต้องเด็ดภาพฟาซาจะดูมาล้วอีก้านสูดทั้งหมด เพราะว่ามาลาอิกาเนี่ยหมายถึงยินก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันวันนั้นนะตอนยินอิบลสมาลาอิกาอยู่กลุ่มเดียวกันอยู่รวมกันอัลล์สั่งเลยเนี่ยพวกท่านสูญุต่ออาดัมฟาซาัดูอิบลสฟาซดูอิ ล, ลาอิบลสมาลาอิกสูญหมดยกเว้นมีอยู่กลุ่มหนึ่งมันไม่สูญุก็คืออิบลิสอัลลอฮ์เล่าทไม สาเหตุที่เล่าเพื่อต้องการจะบอกให้รู้ว่าอัลลอฮ์สร้างคนมาอย่างไงแล้วก็ใครคิดอะไรพี่น้องครับชัยตอนที่ไม่สูอยู่ต่ออาดัมเนี่ยชัยตอนมันเห็นนะตอนที่อัลลอฮ์สร้างอาดัมมาเนี่ยอัลลอฮ์ชัยตอนยืนยืนมองอย่างนีอนะยู่มองกันหมดเลยชัยตอนก็มองเอาดินมามาปั้นปั้นปันจะปั้นแบบเราหรือแบบเราก็ไม่รู้นะ ปั้นปั้นปันร็จแล้วก็ทำสมองอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้พอปั้นเสร็จเชตอันมนุษย์ในใจของมันอาจารย์ตับซิดตับซิดอิบนุกซิดอธิบายดีพอปั้นเสร็จท่นบอกว่าอ๋อมนุษย์ถ้าสร้างมาแบบนี้ว่าหลอกได้ว่าหลอกได้สร้างขายอย่างนี้ ก็สร้างมืออย่างนี้สร้างหน้าแล้วก็สร้างสมองอย่างนี้ว่หลอกได้อยายะตรงไหนที่ว่หลอกได้เดี๋ยวต่อไปอยายะที่หกสองจะอธิบายให้ฟังเพื่อนท่านพี่น้นองใชตอนมันไม่สุญญุต่ออะไรนะต่ออาดัมเพราะอะไรก็เหรออาอัลยูดุมันกล่าวว่าฉันจะสุญญุต่อผ้าผู้ พระองค์ทรงสร้างจากดินกะนั้นหรือมันเข้าใจเองนะแต่มันก็รู้ว่ามนุษย์น่ยถูกสร้างมาจากอะไรนะมาจากดินแต่ตัวมันเองถูกสร้างมาจากอะไรนะถูกสร้างมาจากไฟก็เล่าเล่าให้ฟังไนงะฉันเนี่ยสร้างเองมาจากอะไรนะจากไฟนะอส่วนอาดัมนั้นฉันสร้างมาจากดิน ไอตอนถามว่ายินชาตอนมนุษย์เนี่ยใครถูกสร้างก่อนยินยินกับพวกเนี้ยถูกสร้างมาก่อนแล้วมนุษย์เนี่ยสร้างมาทีหลังอายาไหนว่ามาคลักตุลยินนะวันอินซาอินลาลียาบุดุลอัลลอฮฺเอออะไรก่อนเออ ย, ยินก่อนยินมาลายกาเนี่ยอัลลอฮฺสร้างสร้างมาก่อนแล้วก็สร้างมนุษย์ทีหลังไอตอนสร้างอาดัมเนี่ยชาตอนเห็นไหเห็น คิดไล่ฟังมันตะกี้เนี่ยยืนสแ ก, กนดูอ๋อถ้าอย่างนี้คุณลอกได้แท่เนี้ไม่หนักไม่หนักหลอกได้สบายสบายเลยยกเว้นอ่าชายตอนนะี้พูดอกีกยกเว้นนะคนที่มีาศาสนาคนที่มี إ ي م านฉันไม่แตะฉันปล่อยถ้าไม่เอ า, าศาสนามากำกับชีวิตฉันเล่นงานหมดเลยแค่นั้นมีอยู่ทางเดียวพี่น้องวันนี้แค่นั้น ม, มุสลิมหรือคนวันนี้พี่น้องทั้งหลายครับ อ่อนแอพวกเราใ น, นะนอ่อนแออ่อนแอจริงๆกูอ่านอัลลอฮาฺาสอนนะโคดกอลอินซ่าน อ, าอัลไบฟามนุษย์ตั้งถูกสร้างมาในสภาพเป็นคนอ่อนแออ่อนแอมากจังอิชะตารู้ไหมรู้มนุษย์ตัถูกสร้างมาอ่อนแออ่อนอ่อนแอถ้าจะไม่ให้อ่อนแอพี่น้องเอาอะไรมากระมังกับชีวิตเรียนศาสนา ต้องเนศาสนาศาสนาที่มาจากอัลกุรอานและสุนนะนบีถ้าอย่างนั้นอ่อนแอหมดเอาหลอดูสดิดูง่ายง่ายนะแค่ฟังเสียงไซตตอนเนี่ยเราก็เพลียแล้วใช่ไหมเมื่อก่อนเนี่ยตอนนุ่มๆเนี่ยใช่ไหมแค่ฟังเสียงเพลงถามว่าเสียงไซต์ตอนยอยู่ที่ไหนตับซีนอธิบายดีเสียงไซตตอนหนึ่งซนะสองเพลง มิวสิกเสียงของสายตอนนะมิวสิกมูสิคีเสียงอลไรนะดนตรีดนตรีเพลงวันละหีวันไล่การละเล่นทุกชนิดทำํำไปเพลินต่อยมวยฟุตบอลเห็น ไ, ไหมทั้งหมดเหล่านี้นะเป็นเสียงของสายตอนทั้งหมดเลยเราในแค่ดูฟุตบอลขาดน้มันยางขาดใช่ไหม ลุกขึ้นตอนตีสี่ได้ไหมตีสามมันดูฟุตบอลได้ไหมไดอ้อิทธิพลก็เยอะถามว่ามันุดออนแอรหรือว่าแข็งแรงออนแอแค่ลูกเราแค่ฟังเสียงเพลงอ่ะเรียบร้อยแล้วไปไหนไเราไม่ไหวแล่มืออ่อนหมดเลยเห็นไหมอิทธิพลของไายตอนเยอะมากแค่เสียงของมันอย่างเดียวนะลูกเราเราเองก็ไปไม่รอดแล้ว แล้วิญญาณเน่ยตอนออกตอนกลางคืนเน่ะมันก็ชอบเสียงเพลงนั่นแหละเพราะกลางวันเรานั่งฟังอยู่ปุบปุบปุบเวลารั้วออกจริงจริงไปไหนมันก็หาที่รูไปนั่นดีกว่าไปไหนนะอกข้าวสารมีมีนายขับมีบาร์มันก็วิ่งหาของเหล่านี้แหละเสียงมลใสตอนทั้งหมดไปน้องอวัยวะคนนาลิลมาเลย์ก็ ในตัมสิทธิ์อธิบายดีก็ว่าอิบลิสเป็นศัตรูของอัลลอ์และเป็นศัตรูของใครนะของลูกหลานของอาดัมทั้งหมดว่าอินนาฮะอาดัมวะตุนกอดีมะตุนเป็นศัตรูเก่าแก่มุนยูทุกคนทอาดัม <Adam> ตั้งแต่อัลลอฮ์สร้ า, างมบีอาดัมมาครั้งแรกอลัลลอ์สรางให้มาล า, าอาาิกานั่งสุญต่ออาดัมฟาซาจะดูคุลลุฮฺ มล า, ายกาสู้อยู่หมดอิลลอิบลิสนอกจากอิบลิสชัตอนน่าเหมือนกันนะถ้าชัยตอ น, นมันชื่อธรรมดาถ้าอิบลิสเป็นลีเดอร์หัวหน้าอ่าอิสตักบาร์รชตอนมันได้โอหังอบาบามันปฏิเสธใช่หอยัสดูดูที่จะสูดอ น, นบีอาดัมอิฟติารอนไปกัน ย่อหยิ่งจ้องหงวะยัดษยก็ร้อนแล้วก็ดูถูกเยียดยามว่าฉันจะกลาบคนที่ต่ำกว่าเราได้อย่างไรความรู้สึกอันนี้อยู่ฝังอยู่ลึกอยู่ในหัวใจของมนุษย์ทุกคนวันนี้นะคนที่เล็กกว่าเราเราเรากมก้มก้มก้มหัวไหมล่ะกูไม่ก้มอ่ะมึงเล็กกว่ากูอ่ะแต่อาราสั่งยังไงรอสั่งบอกว่าต้องให้เกียร์เข้า มนาบุสันพูดดีนะขยลอามีรุอลาบาบลฟะกีรคนรวยที่ดีก็คือคนรวยที่ไปยืนอยู่หน้าบ้านคนจนให้เกียรติคนจนหรือเปล่าให้เกียรตินนรวบิซัลอามีวบิซัลฟะกีรอลาบาบลฟะกีรคนจนที่เลวที่สุดก็คือคนจนที่ไปยืนอยู่หน้าบ้านคนรวยอา้าวสกาัตของเราคนที่มีสกาดคือรวยหรือคนจน คนรวยหมดเลยออาเล่าว่างหรือทาําเมเล็กเอาไปให้คนแปดกันพวกเห็นยังหนึ่งสองสามสี่อธิบายจนหมดเลยาะนั้นอยากคิดว่าคนที่รวยกว่าดีกว่าอัลเลมกว่าอะไรกว่าต้องเหนือกว่าคนอื่นใครบอกถ้าความรู้สึกนี้อยู่ในใจใครเราก็ไม่ต่างอะไรกับอิบลีสใช้ตอนเพราะฉะนั้นคุรา น, นสอนในเราทอมตน อ่านคุณอานว่าไงนะฟา บ, บีมาราะห์มัติมินัลลอฮิลินตะลาหุมสอนนบีมุฮนะัมมัดนะมุฮัมมัดเอ้ยถ้าหากท่านเนี่ยไม่นอบน้อมถ่อมตนกับคนเพราะความเมตตาของฉันที่บรรจุลงไปในหัวใจของมุฮัมมัดที่ท่านให้เกียรติกับคนจนนบีนั่งคุยกับคนจนๆใช่ไหมเอาอาหารให้คนจนกินใช่ไหม เอาเสื้อผ้าให้คนจนใส่ใช่ไหมบุกบ้านให้คนจนอยู่ใช่ไหมถ้าคุณไม่ทำอย่างนี้คนก็จะเตลิดออกจากคุณถ้าคุณก้าวร้าวกับคนลำบากคนยากคนจนคนก็จะหนีหมดนะ <c oughs> ฉะนั้นอัคลาของคนที่มีศาสนาก็คือต้องนอบ น, อน้อมต้องทอมตนฟาบีมารัฮมัติมินอัลลอฮิลินตะลุม ไม่ใช่เพราะความเมตตาของอัลลอ์หรือเพราะคุณเข้าใจาศาสนาตั้งหากนอบน้อมถ่อมตนกับคนที่ต่ำกว่าเรานั้นอัลลอ์จะยิ่งยกให้คุณให้สูงถ้าใครที่ถือว่ากูแน่กูใหญ่กูอย่างนั้นกูอย่างงี้ไม่เคยก้มหัวให้คนยากคนจนลือนั่นแหละเป็นใส่ตอนฉันั้นผมไม่เคยพูดบ่อยๆว่าอยากเห็นหนะ้าใส่ตอนใช่ไหม ไปยืนสมกระจกดูบ้างอิตันโมโหโมโหแรงๆไปยืนสมกระจกดูบ้างอ๋อนี่ไงใส่ตอนหน้าอย่างนี้เองนได้อ่านให้อ่านดูอว่าไงนะอัลลอุมะกามาฮัสันตะฮัลตีฟะฮัสซิงฮูลกีีอ้อัลลอฮ์อัลลอฮ์สร้างรูปร่างมาสวย beautiful ฉะนั้นให้อัคลากนิสัยของเรานั้นดีเหมือนราบที่อัลลอ์สร้างมา เราทำโดยลินแล้วพี่น้องพี่น้องคําว่าสุดหยุดนี่ยมันจะสุดหยุดเพื่ออิบะดานะสุดหยุดเพื่ออะไรนะเพื่ออิฮติรอมเพื่อการเรสเพให้เกียรติอ่าที่อัลลอฮฺสั่สงให้มลายกาสุดหยุดต่ออาดัมนะ่ะไม่ใช่สุดหยุดอย่างเราสุดหยุดเพื่ออนะัลลอฮฺน่นไม่ใช่สุดหยุดเพื่อการยกย่องให้เกียรติซึ่งกันและกันนะเรสเพคอิฮติรอมยกย่อ ง, อ ง, องนะครับ โอ้ใชตอนพูดดีนะพูดอัสยูดุลีมันคอรัตตีนั้นจะให้ฉันไปสู้หยุดกราบกับคนที่ท่านสร้างมาจากดินกันนั้นออนาคอยรุมมินตัดฟิชอธิบายนะอานาคอยรุมมินผูฉันเนี่ยดีกว่าดินนี่ใครพูดนะใชตอนพูดคอรักตาณีมินนารินอัลลอฮฺน่าสร้างฉันมาจากไฟว่าคอรักตฮูมินตีนแล้วก็สร้าง อาดามมาจากดินมันคิดเองฉะนั้นเรื่องศาสนาคิดเองไม่ได้แต่เรื่องดุนยาคิดไปเจออะไรก็คิดไปแต่เรื่องศาสนาีนห้ามคิดนะครับพี่น้องสังเกตนะอิบริสไม่สู่อยู่ครั้งเดียวนะครั้งเดียวอลัลลอฮ์เล่นงานเลยละนัดสาบแช่งและเราเนี่ย ถ้าไม่สู่อยู่นะเหลืออะไรเป็นมุสลิมนะพี่น้องเป็นคนแขกแล้วไม่สู่ยูดมนะันเหลืออะไรทําไม่นามาถ้านั่นบางคนนะ่ะชอบทาบุญชอบอะไรนะชอบไปทําพัแล้วกลับมาแนวะฮ้สารบันใหญ่แต้นะแต่ว่าไม่นมาถ้าว่าเหลืออะไรไก็รนี้กัแกแล้วยังไม่ตาบ้าอีกนะอายุหกสิบแล้วเปิดประตูตาว้ายังไม่ตาบ้าอีก ถ้ให้ไปทําฮัตก็ทําแล้วให้ทําบุญก็ทําแล้วยังไม่สุยูต่อเล่อีกนะฉะนั้นในบ้านต้องมีนมาศขาดไม่ได้เสียงอ่านอัลกุรอานต้องกระหึมอยู่ในบ้านเอาหอดเรียกบรักัดลงมาสู่บ้านของเรานะอายะสุดทา้ายพี่น้องก็แลอะอาราอัยตะกะฮะดัลละีกะลมตะอะลาียมันกล่าวว่า พระองค์ทรงเห็นแล้วไม่ใช่หรือฮาลาลีกะลมตาได้อะนี่คือผู้ที่พระองค์ทรงให้เกียรติมากกว่าฉันอ๋อมันพูดเลยชาตอนพูดเลยใช่หไหมพูดว่าไงนะอล l l a h เห็นแล้วใช่ไหมล่ะเนี่ยสร้างอาดามมาจากดินแล้วก็สร้างฉันเนี่ยมาจากไฟมันพูดว่าไงนะพระองค์นี่คนนี้นะ่ะ เป็นคนที่อัลลอฮ์ให้เกียรติมากกว่าฉันเห็นไหมเพื่น้องโอ้โหเห็นไหมเห็นไหมถามว่าถ้าเอาถ้าเอาถ้าเอาอิสลามมาตัดสินนะคนด้วยกันนี่นะอิบลีชัยตอนทั้งหมดนี่นะคนที่มีเกียรติที่สุดน่ะในอิสลามอธิบายยังไงอินน่าอัครอมากุมไม่ดัลลอฮิอตคอกุมคนที่มีเกียรติสุด ก็คือคนที่มีตักว่าต่ออัลลอ์นั่นลักษณะของอัลลอ์เลยวันนี้เรามาใจเรามาเดมองอย่างนั้นเรามองเหมอือนชายตอนเลยใครที่รวยกว่ามีเกียรติใช่ไหมใครที่มีบ้านใหญ่ๆมีรถหลายคาันมีเกียรติใครบอกอัลลอ์ตัดสินนะคัในอัก um um ุรอานอินนักรอมาคุมอินดัลลอยอัตโกมคนที่มีเกียรติมากที่สุด ก็คือคนที่มีกลัวอัลลอฮ์ัวใจเนี่ยนอบนอบ้อมตอมทนต่ออัลลอ์มากที่สุดมีศาสนาเข้าใจศาสนา Allah, นอัลลอ์ไปน้อมนั่นแหละเป็นคนที่ปะเสริฐที่ถุดแต่ช้ยตอนพูดว่าไงนะสร้างมาจากดินอนะ่ะอัลลอ์ไปให้เกียรติดินมากกว่าไฟได้ยังไงอัลลอ์เอาวัตถุเห็นไหช้ยตอนมองวัตถุนี่อธิบายให้เราเข้าใจง่ายๆว่าอย่าเอาวัตถุมาวัดคน แต่ถ้าเอาเราวัดคนนะเอาอีมานมาวัดกันนะครับและอินอัคตานีนี่ชัตตอนพูดนะถ้าพราะองค์ทรงโปรดประวิงอัครตากประวัาประวิงเวลาให้ฉันให้มีอายุยืนยาวเนี่ยอิลายอุมิลติยามาจนถึงวันฟื้นขึ้น นี่ใช่ตอนน่ะเลวที่สุดใช่หรือไม่ใช่อัลลอฮฺสาบแช่งแล้วเนี่ยเวลามันขอมันขอกับอัลลอฮ์ตรงๆผ่านคายบางผ่านตัวตะเกียบาวไม่ผ่านต้วตะเกียไม่ผ่านตัวไะยองไม่ผ่านกูโบไม่ผ่านอะไรด้วยสังนิดหนึ่งไม่ผ่านต้นไม้ด้วยไม่ผ่านสายศาสตร์ไม่ผ่านเส้นได้ขอมือข้อมือไม่ผ่านเลยมันพูดเขาตรงกับอัลลอฮ์เลยใช่ตอนและเราน่ยดีกว่าใช่ตอนต่างเยอะ กค่นั้นต้องผ่านอะไรเลยถ้าจะขอจะร อ, อดตรงๆมันต้องผ่านโตรตะเกียด้วยหรือไม่ใช่ต๊ะนันมันมันอะไรมันขอตรงๆเลยและอินอัครตานีอิลายามิลงตี亚马ถ้าพราะองค์ทรงประโปรดประวิงแก่สันให้มีอายุยืนยาวจนถึงวันฟื้นขึ้นมันจะทำอะไรละอัครตานีกันนานี่ตรงนี้แหละ ฉันจะทำให้พิ่นา้าละอัตตานิกัรนาอัตตานิกันรนาลากเดิมมนะันมาจากฮานากะพี่น้องฮานากะเนี่ยแปลว่าอะไรพี่น้องฮานากานะแปลว่าสวมบัง h i ียนช้ตอนมันพูดนะฉันจะสวมบังเ h ียนฉันจะทำลายฉันจะ ทำให้เขาพินาศที่เชตตอนมันพูดนะฉันจะให้ใครพินาศซุริยาตาหูลูกหลานของอาดัมพวกเรานี่สิซุริยาแปลว่าพงธัน์หรือลูกหลานของอาดัมฉันจะสวมบังเหียนลูกหลานของอาดัมเชตตอนมันมองเราเป็นควายลราควายในวันรัตจับ ผล ส, สภาได้เรียบร้อยไหมเรียบร้อยพี่น้องวันนี้เราต้องเอาชนะชัยตอนให้ได้นะมันดูถูกเราที่ขนาดนี้นะ่ะนี่เอาล้อเล่านะมันมันพูดยังไงวันนี้เราเห็นชัยตอนชอบเห็นแค่ฟังเสียงมันอะไรยังชอบอหละอ๋อพี่น้องเนี่ยพูดอย่างนี้หลายคนดูสมัคสมาชิสตัวนะมมีเลี้เกินไม่ให้ฟังเพลงไม่ให้เต้นรำไม่ให้ร้องเพลง ก็มันเสียงสายต่อละ <c oughs> แค่ฟังเสียงเราก็แย่แล้วนมาดก็ไม่ไหวแล้ว อ, อิลลาบลีละยกเว้นเพียงเล็กน้อยเห็นไหมคนตั้งเจ็ดพันล้านเนี่ยยกเว้นไม่เท่าไรอะ่ะฉันไม่ยุ่งท้าไม่ที่ไม่ยุ่งอธิบายอายาอื่นอธิบายอีกไม่ยุ่งเพราะมีอีมา ถ้าท่านเรียนศาสนาเยอะๆไปต้องท่าเรากลัว่าลูกเรามันไปไม่รอดอย่าไปทรงเรียนอะไรวิชาอะไรแค่ะะสามันเยอะๆอมองดูลูกฉันเ อ, อ๋อกว่าไม่พน้นสายตอนแน่งานนี้สสนเรียนศาสนาเลยอะ่เยอะๆหน่อยก็เรียนสามันทีหลังก็ได้ทีนะฮะว่ามาเด้ น, นึกตรงนี้เลยว่าจะตอนจะร่อหรือไม่ร่อ ถ้ามองลูกเราเข้มแข็งไม่มีปัญหาอมตื่นมาสุบโบเนี่ยอย่างต ก, กี้นเก่งมากในแม่มามาสุบโบเท็ดยัยงนี้ไม่มีปัญหาเรอบรมให้ดีนะเรียนสามัญเยอะๆมลมีปัญหาอัลฮัมดุลิลและพี่น้ <c oughs> <c oughs> องหลายค ร, ร, รับเพราะฉะนั้นอ่านคืออ่านอายานี้เอาเฉพาะสับย่างเดียวนะ และอัตตานิกามาจากราสาวะฮานาคาฮานาคาแปลว่าอะไรสวมบังเฮียนและสวมบังเหียนเราสวมใครสวมควายจากนั้นชายโตอมองเราเป็นควายอัสตะกฟิรุลลอห์พี่น้องนี่ถ้าไม่อ่านกุณอ่านไม่รู้เพระอ่านกุณอาจจะลืมหูลืมตาจานั้นต้องขอจงอา่านตลอดพี่น้องศาสนาอิมานเนี่ยคุ้มครองได้หมดเลยนะ ฉะนั้นคนที่มีอิมาสง่างามไหมสง่างาม อ, ลลอัลลอฮฺอัลบัดย่คิดว่ามีอิมาและวตามต้อยไม่ใช่อ้าวนบีมุฮัมมัดมีอีมานบีมูซามีอิมานบีอีสามีอมาชาวบานนบีทุกคนมีอีมาเราสง่างามไหมสง่างามบรลบนาบินี้ไม่ก้มลงกราบสิ่งอื่นใดนอกจากอัลลเป็น้องครับหมดเวลาสุภานกัลลอฮหุมาบมดีกับ um ดลลอิลลอันตะอัตัุบะอตุบุลีไลกซลามะลิคุมมะ